รธรรมเทศนาแผ่นที่94าลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่15เมษายน2559มีชื่อเรื่องว่าปฏิปทาหลวงปู่มั่นหลวงตารักษาไว้ได้มากที่สุด วันนี้เป็นวันที่15เมษายนพุทธศักราช2559วันที่13 14 15เป็นวันหยุดแล้วก็วันที่16เป็นวันเสาร์17วันอาทิตย์รู้สึกว่าติดต่อกันหยุดติดต่อกันยาวทีเดียวเนาะคณะันะาธาญาติโยมลูกหลานพวกที่ ไฟในการทำบุญทำบุญสร้างกุศลก็ไปตามวัดต่างๆได้เพราะมีวันหยุดมากผู้ที่จะไปทำธุระที่วางแผนเอาไว้ก็ไปทำธุระได้เพราะวันหยุดมีหลายวันผู้ที่จะไปกราบมุดน้าดำหัววัยวุฒิขุนวุฒิในตระกูลก็ไปได้มาก ต่ถาว่าพู้ที่ไปทางเร็วก็ไปกินเหล้าเมายาไปตกไฮโลไปทํามิจฉาชีพก็มีโอกาสได้มากอีกเหมือนกันเพราะนั้นโอกาสคํานี้นะ่ะมันทําได้ทั้งสองอย่างทําดีกับทําชั่วใครจะเป็นจิตใจไปทางไหนถ้าจิตใจไปทางเร็วมันก็คิดไปในในทำในทางที่มันชั่วเสียหายนั่นแหละแต่ตัวเองไม่รู้ แต่เป็นความสนุกสนานของตนเองแต่ว่าเมื่อทำลงไปแล้วเมื่อพูดไปแล้วกรรมชั่วตัว น, นั้นแหละจะตามมาแต่ถ้ามาพวกเรามีโอกาสมากๆอย่างนี้ควรจะประกอบคุดงามความดาีควรจะสั่งสมบุญกุศลควรจะศึกษาธรรมะทำคำสอนของพุทธควรจะเข้าไปหาบัณฑิตนักปราช พรอคนในครั้งพุทธการในครั้งพระพุทธเจ้พพาพระุธองค์เคยตรัสนะพอมีเวลาว่างเราจะไปที่ไหนดีถ้าว่าไปปรึกษากับเสนาอํามาตย์ราชราชเสวิกโปรหิตรายจานมีหลายคนคนหนึ่งว่าน่าจะยกกองทัพไปตีเมืองเยึดม า, ค น, นามดดดนคนหนึ่งว่าน่าจะเอาไปเที่ยวไปเตรสนุกสนาน คนหนึ่งเขาบอกเออน่าจะมีโอกาสมากอย่างนี้นาจะเข้าไปศึกษาหาความรู้จากบัณฑิตนักปราชญ์เราจะต้องได้ศึกษาว่าการบริหารจัดการประเทศชาติบ้านเมืองของเราควรจะปฏิบัติควรจะดําเนินการอย่างไรใอในครั้งคนก่อนเขาก็มีเหมือนกันนะคณะสัายาติโธมลูกหลานเมื่อ ม, มีเมื่อมีเวลาว่างนะ่ะเขาก็ต้องหาโอกาสนะ่ะ แต่เมื่อคืนหลวงพ่อก็ได้พูดแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ศึกษามาล้วนนี้หลว ง, งพ่อก็ากจะต่อเน็ดหน่อยเพราะว่าการปฏิปทาพอเดียวในีใครๆก็อ้างถึงว่าต้องยึดปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยึดแนวแถวสายหลวงปู่มั่นยึดแนวแถวของหลวงตาแต่สงฆ์หลวงพ่อ เกิดใหญ่มาถึงขนาดนี้แหละหลวงพ่อก็ได้ได้ยินหลวงปูล่ลาที่ที่ห ล, ลวงพ่อศึกษามาหลวงปู่ล่าท่านบอกว่าในบรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวยึดแนวยึดปฏิปทาของหลวงปู่มั่นได้มากที่สุดในบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายอันนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันหลายๆองค์ก็ไม่มีใคร ที่จะคัดค้านได้เพราะฉนั้นเหมือนจะเป็นใครก็ตามจะเติดแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นแต่ว่าการกระทำนั้นอ่ะเป็นอย่างไรไปตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงปู่องค์หลวงตาพาดําเนินไหมองค์หลวงตาเนี่ยท่านบิณทบาทท่านยังฉันอยู่ท่านบิณทบาททุกวันแต่หลวงปู่มั่นก็เหมือนกันที่ได้ศึกษากับหลวงปู่ล่าท่านบอกว่า ไม่เคยงดบินทบาทถ้าหาว่าท่านยังฉันอยู่เมื่อท่านป่วยเข้ามาท่านไปบินทบาทไม่ได้ท่านก็ออกไปถึงหน้าประตูวัดแล้วก็ใส่บาทต่อมาก็มาบินทบาทอยู่ที่หน้าศาลาท่านก่อนนั้นไม่กี่วันท่านก็ออกจากวัดป่าสุทธาวาสจากนั้นก็ไปว่าไปไม่ไหวแล้ะลุกไม่ไหวจากนั้นท่านก็จุตินิรภาน อันนี้ก็คือแนวแถวของหลวงปู่มั่นแต่ของหลวงตาที่พวกเราเห็นในวิดีโอทุกวันในขณะที่หลวงตาท่านก็บอกว่าท่านไปบินท่าบาทท่านงดบินเทาบาทในช่วงโค้งสุดท้ายของท่านอายุเ0กว่าหลวงพ่อก็เข้าไปกราบท่านบอกว่าเออเราไม่ได้บินทาบาทนะเดี๋ยวนี้เพราะว่าเราบินเทาบาทไม่ไหว บางทีลูกหลานบางคนอยากจะได้บุญมาก เ, าเวลาเราไปบินท่าบาทบางทีใส่น้ำใส่น้ำเป็นแผล เ, เขาไม่ได้คิดว่ า, าขวดนี่ให้พ่อขวดนี่ให้แม่ขวดนี้ให้ปูย่าย่าตายาย เ, าเขานับขวดแล้วเขาจะให้ตระ ก, กูลของเขาเขาก็เลยใส่น้ำทั้งแผลโอ้บางทีบาทจะหลุดออกจากไหลทานวัน บางทีหัวขมำเพราะลูกหลานเขาไม่ได้คิดว่าหลวงตาอายุแกแต่เขาอยากจะได้บุญอย่างเดียวท่านบอกโ อ, โอ้ไม่ไหวจากนั้นท่านก็บอกว่าเราบวกลบคูณห า, หารดูแล้วว่าการบินทบาทกับไม่บินทบาทอันไหนมีประโยชน์กว่ากันท่านก็เลยบอกว่าเออต่อไปนี้เราจะไม่บินท่าบาทแต่พอตื่นเช้ามาตอนเช้าท่านก็เข้าไปทางเดินจงกรมเลย ไปเปลี่ยนเอริยาบทท่านเดินจงกรมของท่านเปลี่ยนเอริยาบทพอได้เวลาเนะี่ยพระก็ไปนิมนต์ท่านท่านก็มาเข้าม า, า, มานั่งชันอันนี้ท่านว่าบอกว่าท่านไม่ไหวทำางั้นเพราะว่ารับปิน่นทัพบาทบางทีมันจะเวียนเอามันจะล้มเมื่อหกล้มอีกต่างหากพอมันเดินค่อยๆเดินย่องๆไปอนะท่านว่า อันนี้เราบวกลบคูณหารดูแล้วการไปกับการไม่ไปอันไหนมีประโยชน์กว่ากันเราคิดว่าเราไม่ไปจะมีประโยชน์มากกว่า น, นี้เราก็เลยไม่ได้บินเท่าบาททนะ่านในช่วงนี้นะอันนี้คือโค้งสุดท้ายของท่านแต่ถึงยังไงในการฉันท่านถ้าเห็นในวิดีโอของท่านแต่หลวงพ่อเขาไม่ได้เข้าไปใกล้นะเพราะเห็นว่าจัทยาญาติโยมมัลุมมตุ้งเขาในช่วงหลังๆมีแต่ตอนไปตอนบ่าย ตอนบ่ายนะั้นไม่เคยขาดเดือนละครั้งสองทางมันที่ท่านก็มาที่วัดของเราเราก็าไปวัดของท่านไปตอนบ่ายนะเพราะฉนั้นศรัทธาญาติโยมจึงไม่เห็นไม่เห็นหลวงพ่อนะแต่ถ้าว่าถามพวกอาจา ร, รย์ปิวอาจา ร, รย์น้อยหรือว่าท่านกนกหรือท่านที่อยู่วัดป่าบ้านตายก็จะรู้ได้ถ้าองค์ไหนอยู่ใกล้องค์หลวงตาเป็นอุปถากองค์หลวงตาก็จะรู้ได้ว่าหลวงพ่อเข้าไป ช่วงเวลาไหนอย่างไรตลอดถึงท่านมาที่วัดของหลวงพ่อท่านมาเยี่ยมเยียนอันนี้แหละคือหลวงพ่อไม่ค่อยสัายาธิโยมก็ไม่ค่อยเห็นในเมื่องานพระราชทานเพลิงระหว่างงานหลวงตาจุตินินรภัยหลวงพ่อหลวงตาเองก็ทำมอบพินัยกรรมให้สัาญญาตยาธิโยมบางกลุ่มก็ตื่นตระหนกขึ้นมาเอ๊ะพระองค์นิโภมาได้ยังไงแต่ตามไม่จริง หลวงตาเนี่ยถ้าจะว่าไปหลวงพ่อเนี่ยเป็นลูกศิษย์จูเบื้องหลังขององค์หลวงตานะอแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ถืออะไรหรอกท่านให้ความยังไงกับหลวงพ่อก็ปฏิบัติอย่างนั้นล่ะเพราะว่าอันนั้นบุญบารมีของหลวงตาของหลวงตาเลาจะไปพังอ้างอิงพาดพิงก็ไม่ได้ถ้าหากว่าเราทําชั่วเสี้อย่างเดียวน่ะเหมือนกับเทวทัศตเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพ ร, ร, ระพุทธเจ้าบวชให้แท้ๆนะ แต่ก็ยังเป็นอริจตูกับพระพุทธเ้าอแต่ว่าการบวชในคราวนั้นในตำราก็ไม่ได้บอกว่าเอหิพิขุเหมือนกันนะท่านจะบวชยังไงในมานพทั้งหกคนทั้งที่บวชพร้อมกันกับการบวชในคราวนั้นครั้งนั้นคงจะบวชตามปกติมั้งพุททางธรรมังสังขังนะมังเพราะท่านพระอา น, น์พระอนุรุทธะ กิมพลวัคุ เ, เทวทัตบวชนะขนาดบวดกับพระพุทธเจ้าแท้ๆเนะี่ยก็ยังจะฆ่าพระพุทธเจ้าหลังแกพระพุทธเจ้าเพราะนั้นไม่ต้องพูดถึงถึงจะว่าอย่างไรก็ตามแต่ว่าใจของนั่นแนหะสำคัญแต่ว่าใครยึดแนวปฏิปทาขององค์หลวงตาได้มากอย่างองค์หลวงตาเนะี่ยท่านบิณฑบาตเป็นวัด เ, เวลาฉันก็ฉันให้บาตเป็นวัด ขนาดหัวแม่โป้งหัวแม่เท้าท่านขาดนะท่านก็ยกข่าขึ้นข้างหนึ่งท่านเอาบาทมาไว้ข้างๆไมายังไม่ฉันในบาดพวกเราเห็นไหมนี่แหละปฏิปทาขององค์หลวงตาใครจะยึดได้แนวปฏิปทาของหลวงตาอย่างเมื่อคืนในหลวงพ่อก็พูดว่าหลวงตาไม่เคยฉันช้อนนะอในขณะที่หลวงหลวงพอยังอยู่กับท่านนะอแต่เมื่อหลวงพ่อออกมาแล้ว โค้งสุดท้ายเมื่อท่านอายุแก่แล้วนะหลวงพ่อก็ไม่ได้อยู่กับท่านในช่วงปลายแต่หลวงพ่อก็เลยเยึดแนวปฏิปทานในในฐานะที่หลวงพ่ออยู่กับหลวงตานะท่านพาดําเนินอย่างไรแต่ช่วงสุดท้ายนี่ท่านอาจจะใส่ล้อลื่นล้อลื่นส่งตามก็ได้แต่สมัยหลวงพ่ออยู่นะั่นก็แจกอาหารอย่างที่หลวงพ่อพาพระลูกพระหลานแจกอาหารนี่แหละ นี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อวัดถือว่าหลวงพ่อยังยังพอปฏิบัติตามแนวแถวองค์หลวงตาได้อยู่อยากจะให้เป็นแนวแถวสําหรับพระลูกพระหลานสําหรับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่ อ, อที่นํามาประพฤติปฏิบัติควรรักษาอย่างไงในการปัดกวาดทาความสะอาดของวัด ต, ตลอดถึงห้องน้งําห้องถ่าที่หลวงพ่ออยู่กององค์หลวงตา หลวงพ่อเองเป็นคนดูกับพระสงฆ์นั่นแะแต่หลวงพ่อในฐานะจะเป็นเกือบจะหัวแถวนะท่านลองตกจากหลวงปู่บุญเมหลวงปู่ลีกก็มีทยัยไม่ใช่ว่าท่านจะจำมันสากับองหลวงตาตลอดไปไม่ใช่บางทีท่านก็ไปจำมรนสาข้างนอกก็หลายปีเหมือนกันบางทีปีเว้นปีบางทีก็สองปีท่านเคเข้ามาที่วัดป๋าบันตาดเพราะท่านไปเยี่ยมโยมแม่ของท่าน หลวงแม่หลวงปูล่ลีแต่มีหลวงปู่บุญมีนะ่ะอยู่ประจําเลยที่หลวงพ่อถ้าอยู่แต่หลวงพ่อไม่เคยออกไปที่ไหนตั้งแต่ปี2112ถึง2 5 2 5นะหลวงพ่ออยู่ที่นั่นประจำเพราะฉะนั้นพราะหลวงพ่อจึงรู้นะที่ว่าการอยู่กับองค์หลวงตาท่านแนวปฏิปทาของท่านอย่างไรนะท่านพาดําเนินอย่างไร ชีวิตในสมัยเมื่อท่านยังนมสมัยนั้นที่หลวงพ่อออกมาหลวงตาก็ประมาณ70กว่าปีนะลูกหลานนะแต่พอออกมาแล้วหลวงตาก็แก่ขึ้นไปเรื่อยๆท่านจะปล่อยวางยังไงท่านปล่อยวางยังไงหลวงพ่อก็ไม่ได้อยู่กับท่านในโค้งปลายปลายนะมีแต่เข้าไปตอนกลางวันกลางวันประมาณชั บ่ายสามสี่โมงสามโมงหลวงตาออกจากห้องแล้วก็เข้าไปกลาบท่านนี่แหละอันนี้ก็คือที่หลวงพ่อเข้าไปกลา่าวคารวะท่านแต่เมื่อท่านมาสู่วัดของหลวงพ่ อ, นะอในเรื่องงา น, งานต่างต่างก็ดีจะเกี่ยวกับเรื่องอการประท้วงอะไรก็ดีที่พวกเราเคยเห็นสมัยก่อนเดลูกศิษย์หลวงตาออกเดินขบวน พวกเราก็คงจะเห็นในใ น, ในวิธีการหลี้วลงตาบอกให้เกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราชบางังเกี่ยวกับครั้งหลวงบ้างอะไหลายๆอย่างอแต่ลุงตาเข้ามาที่วัดของหลวงพ่อนะ่ะหลวงพ่อไม่เคยไปเดินขบวนกับพระน้องๆแม้แต่ครั้งเดียวพูดอย่างนั้นได้ตนบางทีพระน้องๆทั้งหลายก็ก็บอกว่าหลวงพ่อเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์ของหลุงตาแต่ทําไม มาให้ความร่วมมืออย่าพ่อรงตาเข้ามามาหาลูกพ่อเนี่ยจะวัดบ่อยออบ่อยกว่าทุกวัดก็ไม่น่าจะผิดอีกเหมือนกันแต่พอท่านมาท่านว่าอย่าไปยุ่งนะทําอินนะไม่ต้องไปยุ่งนะท่านนะอยู่ในความสงบนะอย่าไปยุ่งนะอันนี้เมื่อท่านสั่งอย่างนั้นนะเราก็ต้องฟังคำของท่านนะท่านคงจะมีอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะท่านไม่ให้เราไปยุ่ง อ, อมันเรื่องของโลกเ อ, อแต่ท่านก็บอกมา เ, เดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงยังไงใคร้างนอกนะใครเป็นผู้ตอ่อต้านหรือใครที่ขัดขวางท่านก็พูดให้ฟังแต่หลวงพ่อพูดไม่ได้พูดไม่ได้ดไไดแต่ได้ได้ยิน อ, อแต่ท่านก็ห้ามปราบอย่าไปออกไปยุ่งนะท่านนะให้นี่นะให้ภาวนาเนี่ยหนังสือที่หลวงพ่อได้ออกไป เมื่อกี้ในเล่มหนึ่งเมื่อวันเดือนเมษาวันที่ไอ้วันวันที่หนึ่งออกไปนะคือธรรมเทศนาของหลวงตาที่มาเยี่ยมวัดคิดว่าอีกเล่มหนึ่งเล่มที่สององค์คงจะออกอีกเพราะหลวงตามาเยี่ยมวัดอถอดนะทําคําสอนขององค์หลวงตาที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวที่วัดของเราท่านสอนยังไงสอนพระเนรยังไง แนวทางปฏิปทาท่านสอนหลวงพ่ออย่างไงไงนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้พระลูกพระหลานคณะสัตยาญาติโยมหลวงพ่อได้ฟังนะพวกเราก็คงจะคิดว่าอีกอย่างหนึ่งนะแต่ถึงยังไงพวกเราทุกทุกท่านใครจะพูดยึดแนวปฏิปทาของหลวงตาก็ต้องดูซะก่อนว่าอย่างองค์หลวงปู่ล่าพูดนั่น เราก็ไม่ได้ยกย่องหลวงตาก็ไม่เคยยกย่องท่านว่าเรายึดปฏิปทาของหลวงปู่มั่นได้มากกว่าทุกองคหลวงตาก็ไม่เคยพูดอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะนั้นมีแต่คนที่เกี่ยวข้องว่าใครเป็นผู้ยึดแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นเทวาดาทุกองก็ตามมักน้อยจันโดดก็ตามการเข้มงวดกวดขันในพระเนรของแต่ละวัดก็เหมือนกัน พระเนนลูกวัดแต่ละวัดในท่านเข้มงวดกวดขันอย่างไรอยู่ในกฎในระเบียบมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ว่ามิดแต่มีแต่เฉพาะองค์ของท่านท่านไม่ได้มองใครหลงตาไม่ใช่อย่างนั้นนะท่างเข้มงวดกวดขันในตัวของท่านโดยพระเนนก็อยู่ในกรอบอีกต่างหากองค์ไหนอยู่ในผิดธรรมวินัยกฎระเบียบโดยมากท่านจะไม่ไว้ใครทั้งหมด ที่อยู่วัดของท่านนะแต่ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็ไม่กล้าด่าลูกศิษย์ไม่กล้าวว่าลูกศิษย์ลูกศิษย์ว่าจะไงท่านก็เชยพราะกลัวลูกศิษย์จะไม่อยู่ด้วยก็มีนะเพราะนั้นหลวงตาไม่เป็นอย่างนั้นแต่สําหรับหลวงพ่อเองจะยึดแนวปฏิปทาของหลวงตาเหมือนกันในจุดนี้พระพระองค์ไหนลูกน้ององค์ไหนองค์ไหนออกนอกลูกนอกทางหลวงพ่อจเจอไม่ได้ไว่าเพ่อให้ไรต้องสอน เพราะท่านเหล่านี้เข้ามาเพื่อรับการศึกษาอมาไม่ใช่มาเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเนะียมาเป็นลูกศิษย์เมื่อลูกศิษย์่ะเนี่ยเราเมื่อถือว่าเราเป็นอาจารย์เราก็ต้องสอนลูกศิษย์นะอถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายอยากจะมาเป็นอาจารย์ของ ห, ห ล, ออลวงพ่อนะเน่ะอย่าเข้ามาเพราะเหตุไรเพราะหลวงพ่อเนีออไม่ใช่ว่าเป็นลูกศิษย์ของพวกท่านในเมื่อพวกท่านยอว่าเป็น ถือว่าหลวงพ่อเป็นอาจารย์เออเข้ามาหลวงพ่อจะสอนวิชาให้ผมได้อยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างนี้อย่างนี้นะพวกลูกๆนะเอห ล, ลานๆนะน้องๆ น, นะผมหลวงพ่อเองเคยปฏิบัติมาอย่างนี้อย่างนี้นะพวกท่านต้องเดินตามแนวแถวนี้นะอย่าออกนอกลูกนอกทางนะให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยนะให้อยู่ตามกฎประเพณีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ของพวกเราพาปฏิบัติมาเนออย่าไปสแสวงหาลาภหายยศเออไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรจะพูดอะไรก็พูดออกไปใช้นักหลงนักเลงไม่ได้นะเอออันนี้ไม่ใช่สถานที่นักเรงแต่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมมีสัมมาคารวะรู้จักธรรมวินยัยรู้จักไหมธรรมวินยัยเออพระวินยัยท่านว่ายังไงสอนยังไงให้ศึกษา ให้รู้จักผู้น้อยให้รู้จักผู้ใหญ่ให้รู้จักสัมมาคารวะไม่ใช่หลวมปากแล้วจะพูดเปา่ปาๆไปเลยเอไม่รู้จักเคารพคารวะมันไม่ถูกนะอให้รู้จักนะเนี่ยหลวงพ่อจะแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวบรรดาลูกน้องลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อนะ เ, อเพราะว่าท่านเหล่านี้ที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยเข้ามาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้แนวปฏิปทา ต่อไปพวกนี้แหละจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นครูบาอาจารย์ที่มีกฎมีเกณฑ์อย่างที่หลวงพ่อเน่ยหลวงพ่อก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าหลวงพ่อจะเป็นหัวแถวนั่งอยู่หัวแถวอย่างนี้ที่เป็นเนนน้อยหลวงปู่ล่าเนี่ยแต่ก็อยู่นั่นแหะต่อมาเป็นเน้นน้อยก็เคยเป็นเป็นครูบาน้อยก็เคยเป็นเป็นครูบากลางคนก็เคยเป็นแล้วก็เป็นครูบาใหญ่อยู่ในสำนักครูบาอาจารย์ที่รับผิดชอบ ดูคู่คนดูที่ได้รับคาสั่งมาจากพ่อพ่อสั่งมาอย่างไรให้ปฏิบัติอย่างไรให้ดูแลวัดวาศาสานาอย่างไรดูแลคู่คนอย่างไงหลวงพ่อก็ได้รับรับคำสั่งจากพ่อเพราะพ่อจะมาปฏิบัติมาดูแลทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เพราะลูกต้องอยูเอ่เป็นผู้ดูแลคู่คนที่มาเกี่ยวข้อง พ่อน่ยก็คือเป็นผู้บัญชาการเป็นแนวนะโยบายเท่านั้นเองถ้าสิ่งไหนที่มันเกินไปพ่อก็จะปรามโมยอย่านะอย่าทํานะเกินไปแล้วนะท่านนะอย่าไปคุกครีตีโมงกับคนเกินไปนะไม่ได้นะผิดนะอย่านะอย่าล้าเส้นนะไม่ใช่ปฏิบปทาของเรานะจุดนะอันนี้ก็คือท่านก็บอกนะถ้าหากว่าตำเออเอาให้ดูแลนะห่องน้ําห่องท่าอะไรนะให้สะอาดนะ เพราะว่าคีบขนที่มาเกี่ยวข้องก็คือญาติโกโหติกาญาติธรรมของพวกเราพวกนั้นพวกเราเป็นเจ้าของบ้านตรงดูแลทําความสะอาดอาให้ดูให้เรียบร้อยนะอันนี้คือท่านสอนหลวงพ่อรับภาระจุดนั้นแล้วก็นํามาบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนพระเนนลูกหลานของหลวงพ่อนะแต่ปีนี้ปีนี้ก็แปลกเหมือนกันนะคณาจารยญาตโยม สาธารณสุขจังหวัดนายแพทย์สาสารณสุขจังหวัดไปตรวจตราดูสถานที่ต่างๆในเขต เ, เมืองอุดรหลวงพ่อได้รับโล่นะปีนี้นะวัดของเราได้รับโลว่าห้องน้าสะอาดที่สุดในจังหวัดอุดรนะสาศารณสุขมามอบโล่เมื่อสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาหลวงพ่อก็ยังไม่ได้ประกาศให้ศรัทธาญาติโยมทราบหลวงพอ่อนึง บางทีมันอาจจะอาจจะฟกก็ได้หลวงพ่อว่านะบางทีเราอาจจะทำถาความกูบาของเรานะในวันนั้นเขาอาจจะทำความสะอาดสาธารณาสุขก็เลยเข้ามาในจุดนั้นพอดีนะแต่เราไม่รู้หรอกเขาจะขโมยมาเมื่อไหร่เขาจะด้อมมาเมื่อไหรเขาก็ไม่ได้บอกมันกันที่เขามาตรวจนะแต่เขาก็มาก็มาตรวจพอตรวจเสร็จแล้วเขาก็ให้รางวัลให้ให้โลกนะ บอกว่าวัดป่านาคำน้อยของเราห้องน้ําสะอาดที่สุดแต่หลวงพ่อเขาเออนี่แหละเมื่อได้รับออได้รับแชมป์นะออได้รับแชมป์เลยแต่ว่าการคลองแชมป์เนี่ยมันยากกว่าได้รับแชมป์นะพาลูกพาลานนะออการได้แชมป์เนี่ยบางทีลูกหมัดของเราอาจจะไปไปไปมาเป็นตุกยอดคางของเขาเขาก็เลยล้มลงไปเราก็เลยได้แชมป์เหมือนกันออแต่รักษาแชมป์เนี่ย ไม่รู้เขาจะเล่นงานเราเมื่อไหร่ฮไม่รู้เขาจะไปยอดค้างเราอีกเมื่อไหร่รักษาแชมป์เนี่ยยากกว่าได้แชมป์นะเนะพราะนั้นแต่ถึงยังไงก็ตามนะแต่เราก็พยายามบอกพระเนนลูกหลานของเราอยู่ในสถานที่ใดให้ทําความสะอาดถ้าเข้าห้องน้ําแล้วทํามันดูแล้วทำมันมันสกกระโปงเราต้องล้างเพราะน้ำเราก็มีอยู่แล้วล้างซะก่อน ให้สะอาดเก็บไว้สะอาดรู้ไหม เ, เราเข้าไปให้ทําความสะอาดซะก่อนเราเค่าอยยังออกมาทําให้สะอาดก็ทําทําทุกคนให้รับผิดชอบด้วยกันทุกคนทุก อ, อกอในเมื่อทําไปหลวงพ่อก็เหมือนกันพ่อเข้าไปในห้องน้ําใดก็ตามถ้าดูดูแล้วไม่สะอาดหลวงพ่อจะล้างให้สะอาดซะก่อนจนเป็นนิสนะัยนั้นลูกหลานนะขนาดไป ในปั๊มน้ำมันเมื่อหลวงพ่อเข้าไปนะถ้ามันเห็นสปกปรกถ้ามีน้ำอยู่หลวงพ่อก็จะล้างอีกเหมือนกันนะเออพราะมันเป็นนิสัยมันติดอยู่ในใจของหลวงพอ่เ อ, อเข้าไปแล้วต้องทำความสะอาดเมื่อตัวเองใช้แล้วเมื่อตัวเองใช้แล้วก็เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นบุญคุณลนะเ อ, อ็เป็นบุญคุณที่เราได้ใช้ห้องน้ำของเขาเราจะไปทำสกปรกให้เขาได้อย่างไรเออพราะเราได้ได้ใช้ห้องน้ำเขาแล้ว เราเป็นทุกข์ซก่อนเราจึงค่อยไปใช้ห้องน้ําเมื่อใช้ห้องน้ําเสร็จแล้วเราทําความสะอาดให้เพียงแค่นั้นไม่ได้เลยเออเราไม่มีน้ําใจถึงขนาดนั้นเลยแล้แงน้ําใจถึงขนาดนั้นเชียวเหรอนี่แหละหลวงพ่อเข้าไปนสถานที่ใดถ้าเห็นศกปอกถ้ามีน้ํานะพอที่จะล้างได้หลวงพ่อจะล้างนะ เ, เพราะนั้นให้ลูกหลานฟังฟังเอาไว้คํำนี่แหละถึงจะไม่ปฏิบัติตามหลวงพ่อพูดแต่ก็ให้ฟังเอาไว้เออทางว่าผู้มีอุปนิสัย อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวก็ฟังเออใช่หลวงพ่อของพ่ อ, ข อ, พอของเรานี่พูดถูกว่าพวกเราจะได้นำไปปฏิบัตินั่นนะเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความสะอาดสะอา้านไปนสถานที่ใดแต่บางแห่งบางคนทั้งที่น้ามีอยู่ไปเข้าไปโอโ้ดินสกปรกไปหมดเลยเวลาจะเข้าไปถ่ายเนะี่ต้องปิดจมูก แง่น่าขึ้นฟ้าซะก่อนดูมันทําได้ยังไงแต่าตามไม่จีมมันน่าจะช่วยกันรักษาความสะอาดนี่แหละในวัดของเราเนา้อพระเนนลูกหลานน้องหนุ่งคณะสัตยาญาติโยมทุกคนความสะอาดนะ่นเป็นบ่อแห่งความสุขความสกปรกนะ่นเป็นบ่อแห่งความทุกข์สกสกปรกสกปรกกายวาจาใจนั่นแหละเป็นบ่อแห่งนรกไปสู่นรกแห่งความสกปรกกายวาจาใจ แต่ความสะอาดกายวาจาใจนะั้นเป็นบอ่อแห่งบอ่อเป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขไปสู่สวรรค์เพราะนั้นความสะอาดกายคืออะไรก็เป็นที่พอใจสะอาดวาจาคือคําพูดของตัวเองก็ระมัดระวังอย่าไปพูดแบบล้วมปากก็พูดไปสะอาดใจต้องคิดซะก่อนว่าเราคิดออกไปนี่ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นใช่ไหมนะี่สะอาดใจ แล้วก็ทำชำระกายกิเลสราคะโทสะโมหะชำระให้บริสุทธิ์นี่แหละอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ถ้าพวกเราน้อมนำคิดปรปับปรุงกายว่าจาใจของตนเองไม่ต้องมองคนอื่นนะให้มองตนเองถ้ามองตนเองเราจะจะมองเห็นจะมองเห็นตนเองขาดตกบกพร่องที่ตรงไหนเราจะเห็น ถ้าหาว่าเรามองแต่ข้างนอกมันเห็นแต่ความผิดคนอื่นนะลูกหลานนะเออมีแต่จกโทษคนอื่นเอ อ, เ อ, อโทษคนอื่นแลเห็นเป็นภูเขาโทษของเราแลไม่เห็นเท่าเส้นคนคนโบราณเขาวานะแล้วก็ยังย้ำไปอีกว่ดตดคนอื่นเหม็นเบื่อเอาเลืออทนตดของตนแม่เหม็ น, มนไม่เป็นไรเขายังวาอย่างนั้นไปอีกนะอันนี้พวกเราฟังฟังเอาไว้แต่เป็นคาหยาบ แต่เป็นแนวความคิดนะอาตอ น, นี่ไปรับพร